ตำนานเล่าขานถึงฤทธิ์อภิญญาของหลวงปู่รอดวัดโคนอนพระเถราจารย์ยุคเก่าผู้มีตบะบารมีอันแก่กล้าทรงคุณวิเศษและเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติงามเห็นตรงไม่หวัดหวั่นต่อพยันตรายใดๆทั้งสิน้นทั้งท่านยังเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสพาวิชาต่างๆอันเป็นความรู้ให้แก่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังยอดพระเกจิขนาจารย์ยุคเก่าในพระนครผู้โด่งดัง หลวงปู่รอดวัดโคนอนเมื่อครั้งที่หลวงปู่รอดถูกถอดสมณศักดิ์พระภาวนาโกศลเพราะไม่ยอมถวายอดีเรกให้กับราชการที่สในคราวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้า พ, พระกฐินท่านได้ย้ายไปอยู่วัดโคนอนพร้อมกับหลวงปู่เอี่ยมผู้เป็นสิทธิเอกและเมื่อหลวงปู่รอดมรณภาพแล้วหลวงปู่เอี่ยมก็เป็นเจ้าอาวาสวัดโคนอนรูปต่อมา สำหรับอัตโนประวัติของหลวงปู่รอดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่าแต่ว่าเท่าที่ปรากฏหลักฐานท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่คลองบางขวางตาบลคุ้งฐานอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีในสมัยนั้นเดิมท่านเป็นฐานานุกรมในพระนิโรธรังสีเจ้าอาวาสวัดหนังแห่งบางขุนเทียน หลวงปู่รอดเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานเมื่อพระนิโรธรังสีมรณภาพก็ได้รักษาการอยู่ช่วงหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้า อ, อาวาสวัดนางนองและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระภาวนาโกศลเถระในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานกรถินที่วัดนางนองหลวงปู่รอดไม่ยอมถวายอดิเรกทางราชการก็เลยปลดออกจากตําแหน่งแล้วก็รีบสมณศักดิ์คืนซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดที่ท่านไม่เห็นด้วยในการ ที่รัชการที่สี่ทรงตั้งธรรมยุทธนิกายขึ้นมาทำให้สงฆ์ต้องแตกแยกกันนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรจะเป็นราชาคณะอีกต่อไปเมื่อหลวงปู่รอดถูกถอดออกจากสมณศักดิ์แล้วก็ออกจากวัดนางนองกลับไปยังวัดบ้านเกิดที่ห่างไกลาจากความเจริญนั่นก็คือวัดโคนอนและได้มรณภาพที่นั่นนะคะ หลวงปู่รอดได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทรงวิทยาคมพุทธคุณขลังและได้ถ่ายทอดสรพวิชาต่างๆให้กับหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังโดยประวัติกล่าวถึงด้านปฏิหารเป็นที่เล่าขานกันมากและเป็นที่ฮือฮาในยุคนั้นเช่นว่าความสามารถในเรื่องของการถอนคุณสายการเดินทุดงตามป่าเขาและได้ผจนกับสัตว์ร้ายนาน า, น า, นานชนิดโดยเฉพาะโขลงช้างที่ดุร้ายแต่ว่าสัตว์เหล่านั้น ก็ไม่สามารถทำอันตรายท่านได้หรือบางครั้งก็ถูกลองดีจากพวกที่มีวิชาอาคมต่างๆเช่นพวกกระเหี่ยงหรือว่าพวกขเขมรแต่ว่าหลวงปู่ท่านก็สามารถสยบได้หมดค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงนั่นก็คือหลวงปู่รอดเดินบนใบบัวเมื่อครั้งที่ท่านได้ออกเดินทุดงพร้อมด้วยสา ม, มเณรลูกศิตรูปหนึ่งพอถึงห้วยกระบอกที่จังหวัดกาญจนบุรีด้านหน้าที่จะเดินต่อไปก็จะเป็นบึงกว้างด้านข้างเป็นเขาสูงชันซึ่งลำบากต่อการปีนป่ายข้ามไปหลวงปู่รอดจึงหันมาถามสา ม, มเณรว่าจะข้ามน้ากลางบึงไปด้วยกันไหม สามเณรตอบว่าถ้าหลวงปู่ข้ามไปได้ผมก็จะข้ามไปด้วยหลังจากนั้นหลวงปู่รอดท่านก็จเจริญเอาโปกสินอยู่ครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ก้าวไปบนใบบัวอย่างช้าช้าจนไปถึงอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยค่ะส่วนสามเณรลุกสิทธ์ตอนแรกก็เดินตามหลวงปู่ไปทุกฝีก้าวแต่ว่าสุดท้ายกลับไม่เหยียบตามท่านจึงตกลงไปในน้า หลวงปู่รอดท่านจึงกล่าวกับสา ม, มเณรว่าเห็นไหมละ่ะกำชับไว้แล้วยังพลาดจนได้ถ้าเป็นกลางบึงอาจจมน้ำได้การทำเช่นนั้นต้องมีสมาธิจิตที่แน่วแน่อีกเรื่องราวนึงนะคะเป็นเรื่องราวที่ขโมยค่ะจะไปขโมยเรือของพระเจอมนต์สะกดของหลวงปู่รอดเข้าไปค่ะพายวนอยู่ในน้ำทั้งคืนแทบขาดใจ ในสมัยที่หลวงปู่รอดนะคะได้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนางนองวรวิหารค่ะท่านเองก็ได้เอาใจใส่แล้วก็ดูแลพัฒนาพระอารามแห่งนี้เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ โดยมีพระภาวนาโกศลหรือว่าหลวงปู่เอี่ยมนะคะที่คอยเป็นกําลังอันสำคัญคอยดูแลแล้วก็เอาใจใส่ในทุกด้านหลวงปู่เอี่ยมก็เลยเป็นที่ไว้วางใจให้ได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมสพวิทยาคมต่างๆจากหลวงปู่รอดจนหมดสิน้นแล้วก็ในระหว่างจำพรรษาอยู่ที่วัดนางนองบวรวิหารแห่งนี้หลวงปู่เอี่ยมก็ได้แต่งตั้งเป็นพระใบดีกาและก็พระปหลัดตามลาดับนะคะ ในฐานานุกรมของพระภาวนาโกศลหรือว่าหลวงปู่รอดจนกระทั่งมีเหตุต้องย้ายไปอยู่วัดโคนอนอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าเพราะอะไรสําหรับวิทยาคุณและก็คุณวิเศษนั้นของหลวงปู่รอดที่จะบรรยายต่อไปนี้คุณปู่รั์ทองอู๋ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นบุตรของลูกพี่ลูกน้องของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังราชวรวิหารและก็เป็นบิดาของคุณพ่อคูนทองพูลกิจได้เล่าให้ทายาทฟัง ซึ่งจะได้นำมาประมวลเข้าไว้ด้วยกันดังนี้นะคะคุณปู่รั์ทองอูบิดาของคุณพ่อพูนทองกิจค่ะได้เล่าเรื่องประหลาดกันต่อๆมาว่าได้มีคนร้ายเนี่ยไปขโมยเรือของหลวงปู่รอดที่จอดไว้ที่ลำคูริมคลองขวางแต่ว่าไม่สามารถจะพายไปได้ก็ยังคงวนเวียนอยู่หน้าวัดโคนอนหน้ากุฏิของท่านจนเช้า พะลูกวัดรูปหนึ่งจะเอาเรือออกไปบินทบาทครั้นไม่เห็นเรืออยู่แต่ว่าเห็นผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งกําลังพายเรือวนเวียนอยู่ก็เลยจําได้ว่าเป็นเรือของหลวงปู่รอดก็เลยได้นําเรื่องราวนี้เนี่ยไปเรียนให้ท่านได้ทราบหลวงปู่รอดก็เลยลงมาที่ท่าน้ําแต่ว่าขณะนั้นนะคะก็ได้มีชาวบ้านใกล้เคียงมาดูกันอยู่เนืองแน่นท่านก็เลยตะโกนบอกไปว่าเจ้าจงเอาเรือมาคืนพระเสียท่านจะได้เอาไปบินทบาท คนร้ายก็พายเรือมาจอดให้พระแต่โดยดีแล้วท่านก็ได้สั่งสอนต่อไปค่ะว่าขึ้นมาบนกุฏิซะก่อนคนร้ายก็ขึ้นตามคําสั่งไปแล้วในที่สุดนะคะหลวงปู่รอดก็สั่งให้เด็กเนี่ยจัดเอาอาหารมาให้รับประทานแล้วก็พูดต่อไปบอกว่าจะกลับบ้านก็กลับเถิดคนร้ายจึงได้เดินลงจากกุฏิไปนะคะ ขออนุญาตเล่าย้อนถึงอัตตาประวัติของหลวงปู่รอดนะคะเรื่องราวของมูลเหตุแห่งการย้ายไปอยู่วัดโคนอนที่บอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานผ้ากรถิ่นณวัดนางนองวรวิหารก็มีเรื่องเล่ากันค่ะว่าหลวงปู่รอดเนี่ยไม่ยอมถวายอดิเรกก็ว่านับเป็นความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพราะว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นพระสงฆ์ก็ต้อง ถวายอดิเรเกตามธรรมเนียมพระราชประเพณีแม้ว่าหลวงปู่เอี่ยมซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระประหลัดได้เตือนให้ถวายอดิรเรกแล้วแต่ว่าท่านเองก็ยังคงนิ่งเสียนะคะเป็นที่โจษจันกันมากว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงกริว้วเสด็จออกมานอกพระอุโบสถทันทีแล้วก็ทรงตรัส ด, ด้วยพระสุรเสียงอันดังบอกว่าเขาถอดยศเราเขาถอดยศเรา ต่อมาอีกไม่นานนะคะก็ได้มีพระราชองค์การปรดกล้าวถอดพระภาวนาโกศลหรือว่าหลวงปู่รอดออกจากสมณศักดิ์ในฐานหมินพระบรมเดชานุภาพนะคะ แล้วก็เรียกพัดยศคืนหลวงปู่รอดท่านก็เลยได้ย้ายกลับไปอยู่ที่วัดบ้านเกิดที่ห่างไกลจากความเจริญนั่นก็คือวัดโคนอนซึ่งอยู่ทางคลองขวางฝั่งตะวันตกภาษีเจริญแล้วก็ได้มรณภาพที่วัดแห่งนี้ผู้คนต่างก็พากันโจษขานกัะว่าเหตุที่หลวงปู่รอดท่านไม่ยอมถวายอดีเรเอกในคราวนั้นเป็นการเอาอย่างสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรห ม, มรังสีที่กล้าเตือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไม่หวั่นเกรงภยัยใดๆและท้ายที่สุด พระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงกริว้วทั้งยังทรงตรัสว่ายอมให้ท่านกรัวโตผู้เดียวแต่เมื่อมีเชื้อพระวง์ชั้นผู้ใหญ่ไปสอบถามท่านที่วัดโคนอนหลวงปู่รอดท่านก็ตอบนะคะว่าสาเหตุที่ท่านไม่ยอมถวายอดเรเกนั้นเป็นเพราะว่าท่านไม่พอใจในการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แบ่งแยกพระสงฆ์ของไทยออกเป็นสองนิกายก็คือมหานิกายกับธรรมยุทธ์นิกายอันเป็นสาเหตุให้คณะสงฆ์แตกแยก เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเล็งเห็นเขาว่าหลวงปู่รอดผู้นี้ยอมสละสมณศักดิ์เพื่อบูชาพระวินยัยท่านเป็นผู้ไม่เห็นแก่ลาบยศทั้งปวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้สัตตะบุรุษก็คือท่านเจ้ากรมสังฆาการีค่ะนําพัดยศและก็สมณศักดิ์ถวายคืนให้หลวงปู่รอดเพื่อให้ดํารงสมณศักดิ์ดังเดิมแต่ว่าหลวงปู่รอดเนี่ยท่านไม่ยอมรับและก็ได้พูดกับสังฆาการีค่ะว่า ใครเป็นผู้ถวายแก่อัตมาแล้วใครเล่าที่ขอคืนไปบุรุษท่านจงเอากลับคืนไปเถิดแล้วก็ในขณะนั้นหลวงปู่เอี่ยมท่านก็บวชได้16พันศาแล้วนะคะแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ใกล้ชิด ก็ได้ย้ายออกจากวัดนางนองวรวิหารติดตามไปคอยปรนิบัตริรับใช้พระอาจารย์ของท่านที่วัดโคนอนสำนักใหม่อย่างไม่ลดละก็แสดงให้เห็นถึงความกระตันยูรู้คุณแล้วก็น้ำใจอันประเสริฐต่อผู้เป็นพระอาจารย์แม้ว่าในยามถูกราชภายัยถูกถอดสมณศักดิ์ลงเป็นครัวตาธรรมดาก็ต้องตกทุกข์ได้ยากอับวาสนาก็ไม่ยอมตีตัวออกห่างค่ะก็ยังคอยติดตามแล้วก็ไปปรนิบัติรับใช้ท่านอย่างใกล้ชิด นับว่าเป็นคุณธรรมที่ปรากฏแล้วก็เล่าขานสรรเสริญกันมาจนถึงทุกวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลวงปู่รอดจะประสิทธิ์ประสาทสภาวิทยาการนานาประการให้กับหลวงปู่เอี่ยมจนสิ้นภูมิความรู้ที่มีอย่างไรก็ตามนะคะหลวงปู่เอี่ยมก็มักจะพูดถึงแล้วก็ย้ำอยู่เสมอว่าท่านเก่งสู้อาจารย์ไม่ได้มีวิชาอีกหลายอย่างที่ท่านศึกษาไม่ถึง ต่อมาหลวงปู่รอดท่านได้สร้างวัดอ่างแก้วพาสีเจริญขึ้นมาครั้นเมื่อหลวงปู่รอดได้ถึงแก่มรณะภาพลงหลวงปู่เอี่ยมก็ได้ครองวัดเป็นเจ้าอาวาสวัดโคนอนสืบแทนต่อในระยะเวลาหนึ่งค่ะ ตามปรากฏหลักฐานชัดเจนนะคะว่าหลวงปู่เอี่ยมสวรรณสโรแห่งวัดหนังราชวรวิหารได้ศึกษาด้านวิปัสนาธุระแล้วก็พุทธาคมสัพพาวิชาวิทยาคมต่างๆกับหลวงปู่รอดซึ่งเป็นพระกรรมวาจาในคราวที่อุปสมบทของท่านเองหลวงปู่รอดท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์ที่เก่งกล้าในด้านพุทธาคมและสัพพวิทยาคมต่างๆรวมทั้ ง, ง, ง, งมีตบะเดชาที่กล้าแข็งและสาเร็จวิชา8ประการ ไม่ว่าจะเป็นมีหูทิพตาทิพล่วงรู้วาระจิตรู้อดีตรู้อนาคตแสดงฤทธิ์เดชได้และจากการศึกษาชีว่าประวัติของหลวงปู่เอี่ยมนะคะเราจะเห็นได้ว่าท่านจเจริญรอยตามพระอาจารย์รูปนี้มาโดยตลอดท่านถอดแบบอย่างจากหลวงปู่รอดแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกัน หลวงปู่รอดเก่งอย่างไรหลวงปู่เอี่ยมก็เก่งอย่างนั้นเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรห ม, มรังสีที่ท่านได้เจริญรอยตามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชผู้สร้างสมเด็จอรหังและพระสมเด็จวัดพลับเช่นในการที่หลวงปู่เอี่ยมท่านได้สร้างพระปิดตาและพระปิดทวานขึ้นก็เรียกว่าถอดลักษณะมาจากพระเครื่องทั้งสองชนิดของหลวงปู่รอดค่ะ ในส่วนเรื่องของคุณสที่หลวงปู่รอดนะคะท่านได้ประสบพบเจอมามีการเล่ากันมาบอกว่าในการออกเดินทุดงคราวหนึ่งของหลวงปู่รอดท่านได้ไปถึงชนบทแห่งหนึ่งแถวแถวทุ่งสมอนหนองขาวเขตติดต่อกันระหว่างการจนาบุรีกับราชบุรีค่ะคืนวันนึงขณะที่ท่านได้อยู่ในกรดก็มีพายุอื้ออึงมีเสียงต้นไม้ต่างๆดั ง, ดงลัน่นแล้วก็หักโค่นคกึกก้องไปหมด ท่านก็เลยทำสมาธิจเจริญพุทธาคมสงบนิ่งอยู่สักพักพระที่ติดตามท่านเดินทุดงไปด้วยก็ได้ยินเสียงวัตถุหนักๆปลิวเข้ามาตกอยู่บริเวณโดยรอบที่ปักกรดเสียงดังตุบตั๊บไปหมดนะคะพอเช้า ว, วันรุ่งขึ้นเปิดกรดออกมาก็เห็นท่อนกระดูกตกเรียราดอยู่รอบบริเวณนั้นพอสักครู่หนึ่งค่ะก็มีชาวบ้านที่เป็นกะเรียงสองสาคนเดินตรงเข้ามาบางคนก็ถือจอบแล้วก็เสียมมาด้วย เมื่อได้มาสอบถามจึงได้ความว่าเขาเตรียมที่จะฝังศพพระธุดงซึ่งคาดว่าจะต้องถูกคุณสายมรณะภาพตั้งแต่เมื่อคืนครั้นเมื่อเห็นว่าหลวงปู่รอดแล้วก็พระผู้ติ ด, ดตามเนี่ยยังคงปกติดีอยู่พวกเกเรียงก็เลยพากันกลับไป แต่ว่าพอกลับไปไม่ทันไรใน ต, ตอนนี้ก็นำเอาพวกอาหารมาถวายหลวงปู่รอดก็บอกพระผู้ติดตามว่าอย่าได้ฉันอะไรเป็นอันขาดพอรับประเค้นอาหารจากพวกกระเรียงแล้วท่านก็เรียกให้พระผู้ติดตามเนี่ยเอาหม้อกรองน้ำของพระธุดงมาให้จากนั้นนะคะหลวงปู่รอดก็บริกรรมทำประสะน้ำมนพรมอาหารนั้น ปรากฏนะคะว่าข้าวสุกที่อยู่ในกระดิงก็กลายเป็นหนามเล็กๆเต็มไปหมดกับข้าวต่างๆที่อยู่ในกะหลาำมะพร้าวก็กลายเป็นกระดูกชิ้นน้อยชิ้นใหญ่หลวงปู่รอดก็เอามือกวาดกระดูกแล้วก็หนามเหล่านั้นไว้แล้วก็คืนภาชนะที่ใส่ ให้กับพวกที่เป็นกะเรี่ยงเนี่ยไปนะคะพอตกกลางคืนหลวงปู่รอดบอกกับพระลูกศิษย์ว่าท่านจะปล่อยของเหล่านี้กลับไปเล่นงานพวกนี้บ้างเพียงแค่สั่งสอนให้รู้สํานึกเท่านั้นรุ่งเช้าค่ะกะเรี่ยงก็รีบมาหาหลวงปู่รอดตั้งแต่เช้ามืดค่ะคราวนี้นี่หามคนป่วยมาด้วยคนนึงแล้วก็กล่าวคําขอขมาพร้อมกับขอร้องให้ท่านช่วยรักษาเป็นลักษณะของคนป่วยร่างกายบวมไปทั้งตัวเหมือนศพที่กําลังขึ้นอืด หลวงปู่รอดก็ได้หัวเราะพร้อมกับถามบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างคนป่วยได้แต่นอนอยู่นะคะก็กรอกหน้าไปมาพร้อมกับยกมือขึ้นพนมค่ะหลวงปู่รอดก็เลยเอาน้ำมนต์ในหม้อกรองน้ําที่เรียกว่าลักจันนะคะพรมลงไปตามร่างกายของคนป่วยเพียงแค่ครู่เดียวเท่านั้นเองร่างกายที่บวมก็ค่อยๆ ย, ย, ยุบเป็นที่น่าอัศจรรย์ของผู้พบเห็นทุกคนก็กราบหลวงปู่ด้วยความยำเกรงแล้วก็บอกว่าจะนําอาหารมาถวายแต่ท่านบอกว่าจะถอนกรดแล้วเดินทุด ต่อไปหลังจากที่ได้ปักกลดอยู่ที่นี่สองคืนแล้วนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออัตโนประวัติของหลวงปู่รอดนะคะแห่งวัดบางโคนอนค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันประจำวันนี้นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าท่านมีความเมตตากรุณาต่อมวลมนุษย์สูงแค่ไหนแล้วท่านก็ไม่ได้เห็นแก่ลาบยศสันเสริรเพียงเพื่อบูชาพระวินัยเท่านั้นนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันประจำวันนี้หมดเวลาของ B ีแล้วล่ะค่ะพบเจอกันได้ใหม่ในวันต่อไปกับเรื่องต่อไปที่เราจะนำมาฝากกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ